ر ับบิชรั صدر أَمْلِي و ยัส ل ิอัมลิวะพลอุกร ل ตมิ ا ن ส ي น قه ว ا ว و ลิอัลลอฮุมะ ن سأل ك กะอินม ا ف าฟิอันว ط ي ب ا و و ع م ل ا م ت ك ب ل ا ب س م الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم อ س الل م, ال ولا م, م, م. الله الل ي ي م ال ้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่ ا งทั้งในโลกและใน و วรรค์ทั ل งในอดีตแล ل ในอนาคตทั้งในสิ่งที่เป็นและสิ่งที่จะเป็นอัลลอ ع ฺผู ل ي รงร ل ้ทุกสิ่งทุกอย่างทั ت งในโลกและในส ي ك รค์ทั้ง ل นอดี ر ك ละใ ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และกตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมกันเรียนกุรอานทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละชุโกตอัลลอฮุบ ب าน ن ه และตาลาที่ให้พวกเราได้มาอยู่ในช่วงเวลาที่มีความพิเศษก็คือเดือนรอมฎอนนะครับ เสารนี้เป็นเสารแรกของรอมฎอนที่เราได้เรียนกุรานกัน <c oughs> ดังนั้นเราก็ขอดุอานะให้เราได้ทำอามันอิบาดาห์อย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่ดีที่สุดของเรา และพี่น้องก็ดูนะอัลลอเมตานะสภาพอากาศน่าเรียนหรือน่านอนสองอย่างน่าทั้งสองอย่างแหละน ะ, ะน่านอนด้วยนะครับแล้วก็น่าเรียนด้วยมีลมเย็นพัดมีลมพัดเย็นสบายอากาศไม่ร้อนนะทมดูดินละตรงพัฒนาการนี่ยังไม่มีฝนนะพอเข้ามาเขตอนุทเห็น เปียกแล้แสดงว่าฝนตกดังนั้นพี่น้องครับเดือนระมดอนคือเดือนแห่งการทําอิบาร์ดะไม่ใช่เดือนแห่งการนอนนะอ่าบางคนนี่พอระมดอนมาไม่อยากจะทําอะไรนะนอนอย่างเดียวเลยอาจารย์เอ้ยกลายเป็นเดือนนอนไปแล้วไม่ใช่เดือนอิบาดา์ดะแต่เรานอนเนี่ยเพราะเหตุว่าเราต้องเก็บแรงของเราไว้ทําอิบาดา์ดะในยามค่าคืน อ่อัลฮัมดุลิลละนะครับเดี๋ยวเรามาอา่านกุฎานกันต่อนะอายะที่หกสิบสามนะครับเราอ่านไปถึงอายะที่หกสิบสองวันนี้อ่านอายะที่หกสิบสามซึเราะ อ, อ, อ, อ, าอัลอันอามอัลอันอามนะครับอายะที่หกสิบสามเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาดิฮะก่อ น, น, น, น, นอ่า อาบ ذ ดุ ل ล ه ฮ์มิน ي อิชชัยตานุรรจิมบ ا ل มิลล ا ل ر ลลอฮ์มานุรร ح ي الحمد لله رب العالمين อัลราะห์มานีอัลราฮีมมัลกียามิดดินอียาญกะนะบุดูอียาญกะน์สตางิน อิห ا ด ص นّ ر َ ا ط ร ا ตْ م มุสตَ ق ِ ي م ิรِตَล ط َ ا นَّ ذ อันَ أ َตْ عليهم ไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา และอิสลามก็เป็นสิ่งที ل ดีท ا ่ส الر นโลกนี้ ต้อคุ้ย to ่ลองดูนะคุลมยุนัดจีกุมีดูลมาติลบริวัลบาฮรคุลมยุนัดจีกุมีดูลมาติลบริวัลบาฮรคุลมยุนัด จِกุม م ิ้ ن ظلمات الْبَرِّ و َ ا ل ْ ب َ ح ห ر ِ تدعونه تضرع وخوف يتل ِ ن جاءنا من هذه. ت د عونه ت ض ر ر ع เอ د ตาไม่ใช eh? mm. oh, ่ตดน عونه ت ض ر ر و ا و خ ف يتلأ إن أ د ن ا من هذه تضر לא إن ْ أ َ ن ْ ج َ ا ن َ ا مِنْ هَذِهِ لَنَقُونَ ن َّ م ِ ن َ الشَّاكِرِينَ ดูตัวหลวงเสียงนิด an an นึงนะลาอินอาจานะลาอินอาจานะมิฮะดีลานะกูนันนันนัมมีนันกับอันจานะ לא إن أنجانا من هذه ل َ نكونا من الشاكرين กุลิลลาห م ยู ن ْ هَا وَمِنْ ฮُ ل ِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ُلِ الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أ ت ُ م تشركو Allahu alqadiru a l َ i y أ a b ي َ ب ْ عليكم ُ عذابا َ من فوقكم อีรอบนะคุลَ์วะกอดีรุ่งและอียะบั้งธา عليكم عذابًا من فوقكم เอามินต์ทที่อาร์จุลิคุมอาเยลบิสะคุมชียะเทที่อาร์อาเยลบิสะคุมชียอีกรอบนึงนะเอาอามต์ อารจุลิคุมอวยล비스คุมชี้แง เขาจะรบีสักุมชี้เอาว่ายุธิขบั้งดักุมบัสบั๊กไม่มีบี <laughs> เอาใหม่นะบ้าวดอกกุมบ้าซบบาวและตัวหลังมีตัวดออัดลมให้แน่น บ, บ, บ้าซบ้าวกี่ทำได้อยู่แล้วแต่ไม่มีบี้นะไอ้อรอบนึง <c oughs> เ ي า ب س ك م บสักุมเช ق ب عوا ب ละยืดิควะษับุมบะษะบ ع ต ฟานูซาร์ริฟุลอายาติละ عل ะฮุม يفقهون อีรอบหนึ่งนะอุ่ ใคร่ฟานุสรรฟุล ا ل ัลละ لعلهم يفقهون มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเทิดมมฮัมมัด ว่ามันก็คือใครเล่ามันผู้ใดเล่าใครเล่าอยู่นจีกุมมนมนซูลูมมติลบาริวัลบาฮ์จงกล่าวเชิญมุฮัมมัดว่าใครเล่าจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากความมืดของทางบกและทางทะเลเวลาที่เดินทางสมัยก่อนเนาะ เวลาออกเรือไปกลางทะเลในเวลากลางคืนเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นอะไรมันมืดไปหมดนะเรือใหญ่ๆก็ชนภูเขาน้ําแข็งไททานิคก็ชนกลางคืนนี่แหละและก็จมไปและไอเจ้าของมันนี่มันท้าทายมันบอกว่าแม้กระทั่งพระเจ้ายังจมไม่ได้เรียบร้อยออกวันออกครั้งแรกจมเลยนะแล้วก็วันบาร์ก็หมายถึงในตอนบารีวันบานทั้งทางบก แล้วก็ทางทะเลนั้นจะเห็นว่าเวลาเราขับรถไปถ้าไม่เปิดไฟหน้าราขับรถดูขับไม่ได้หรอกไม่รู้จะลงข้างทางเมื่อไหร่นะดังนั้ น, นเวลาความมืดมิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ความหวาดกลัวแน่นอนมนุษย์เราก็จะขอวิงวอนตะดาหูนาหูเตา ด, ดรัเอวะคูฟยะ โดยที่พวกเจ้าก็จะวิงวอนขอพระองค์ด้วยความนอบน้อมนะแต่ดแต่ดูดูเอาตะวาดด้วภาษาับบยังอีกคำอะไรตะวาดด้วยมีความอ่อนน้อมนอบน้อมถ่ อ, อ, มอมตนนี่คือลักษณะของการขอดูอานะยิ่งขอดูอาเยอะเราจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์มากแต่ถ้าคนไม่ขอดออในพวกยิงพวกเยโซ พวกอวดดีอวดเก่งแต่ถ้าคนขอดูอาก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าคุฟยะ <c oughs> และ้วก็ในลักษณะของคุฟยะ <c oughs> แผ่วเบานี่ยด้จะหยิบน้ำมาให้ <c oughs> อ่าน <c oughs> เดี๋ยวมันจะดีขึ้นทำดูนะ <c oughs> คุฟยะ ในลักษณะแผ่วเบาปากก็พึมพำอ่ะสังเกตไหมเวลาเกิดเพภัยเพภั ย, ย, ยอะไรขึ้นมาปากก็จะพุมพำพึ่มพำต่างคนกน็ต่างว่ากันและก็รวมคำว่าและก็รวมถึงการอ่านเสียงดังด้วยขอเสียงดังด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขอกันเสียงค่อยๆเพราะว่าในความหวาดกลัวที่มันเกิดขึ้นก็ขอดูอากันละอินอัญจนา มินฮาซีฮีและนาคูนันนามีน s h a ก i รีนถ้าหากพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากสิ่งนี้แล้วแน่นอนพวกเขาก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่รู้คุณนะพวกเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ที่แชกิรีนแปลว่าคนที่ขอบคุณ Allah. อัลลอ่ามีคำอธิบายถึงความโปรดปานและความใจบุญของพระองค์นะและก็ความรุนแรง และอำนาจของพระองค์คือเวลาที่พระองค์จะลงโทษพระองค์ก็ลงโทษด้วยความรุนแรงนะเวลาใจบุญก่อใจบุญแต่เวลาที่อัลลอ์จะลงโทษก็ถอนรากถอนโคนเหมือนกันนะสำหรับประชาชาติก่อนหน้านี้ลักษณะของมนุษย์มักจะวิงวอนเวลาที่เกิดเหตุเพศภัยแต่พอเวลาสบายแล้วมักจะลืม อัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะในหลายสุรชินในสุรยูนุสนะครับที่บอกว่าพระองค์ทรงให้พระเจ้าเดินทางโดยทางบกและทางทะเลจนกระทั่งเมื่อพระเจ้าอยู่ในเรือและมันก็นําพวกเจ้าเนี่ย <c oughs> เล่นไปด้วยลมที่ดีพวกเขาก็ดีใจกับมันทันใดครั้งมีพายุพัดกระนาลงมาขึ้นซัดลงมาจากทุกด้านพวกเขาก็คิดว่าแท้จริงเราถูกล้อมด้วยสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจึงวิงวอนต่อรอดด้วยความ ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อศาสนาของพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงให้เราพ้นภัยอันตรายนี้แน่นอนเราจะอยู่ในผู้ที่กระตันญูรู้คุณแต่มนุษย์อีกประเภทหนึ่งที่ดื้อกับอัลลอฮ์ก็จะขอเหมือนกันแต่เมื่อเขารอดพ้นจากภัยพิบัติแล้วเขาก็จะทำชีริกเหมือนเดิมก็ยังจะดื้อเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็อยู่ในหนุมนิดหนึ่งนะซูลรออะไรนี่อันอิสรรอนะครับหกถึงหก นะ <c oughs> จงกล่าวเถิดกุลกุลินล่ะจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่ า, ววาอาัลลอฮ์จะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันนะอัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันและก็ความทุกข์ยากทุกอย่างด้วยนะแล้วเราบอกแล้วก็บอกว่าไงว่าอั้นตุมตุชิริกูนแต่แล้วพวกเจ้าก็ทําให้มีขึ้น ภาคีขึ้นแก่พระองค์ต่อมากุลจงกล่าวเทอมุ h ัมม a d ว่าฮัวก็คือพระองค์กอดิรกอดิตแปลว่าอนะไรผู้ทรงสามารถผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสามารถอิลาอัยะบาอาสัยะุมอัลาบัมมินฟาวกิกุม พระองค์เนี่ยเป็นผู้ทรงสามารถผู้สามารถที่จะทรงการลงโทษของพวกเจ้ามายังเบื้องบนของพวกเจ้าคาว่าเบื้องบนก็หมายถึงมาทางด้านเนี่ยทิศข้างบนฟ้ามาจากฟ้าทรงลงมาเป็นอาสาบเช่นสมัยดนะับี้นัวก็ให้ฝนตกจนกระทั่งน้ำทั่วโลกนะแล้วก็อะไรอีกเอามิน ตตีอารดูลีกุมหรือหรือภัยพิบัติที่มาจากใต้เท้าของนบีนว่นนี่ครบเลยนะมีทั้งน้ำตกลงมาแล้วก็น้ำพุ่งขึ้นมาจากดินโดนทั้งคู่เลยแล้วก็น้ำท่วมโลกกันล้างหมดเลยพวกดื้่นะแต่คนที่ศรัทธาก็ขึ้นเรือรอดหรือในลักษณะของเกามุนลูดที่โดนนะหินไฟหินนรกลงมาจากเบื้องบนบางทางด้าน ฟักฟ้านะเอาเยลบิสะุมชียาอัลลอ์พี่น้องดูความหมายตรงนี้นะหรือโดยปนเปนกันหลายพวกนะและทำให้บางส่วนของพวกเจ้าลิ้มรสการทำร้ายของอีกบางส่วน ว, วกบบบุ อันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นการลงโทษของอัลลอฮ์เป็นอาซาบอีกประเภทหนึง่งประเภทนี้เนี่ยก็คือให้ปนกันอยู่ในกลุ่ ม, มนุษย์แล้วก็แยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเสร็จแล้วทํำยังไงก็ฆ่าฟันกันรบกันฆ่าฟันกันเออหรือจับอีกฝั่งหนึ่งมาเป็นทาสอีกฝั่งหนึง่งกับว่ากันไปซึ่งอันนี้พูดถึงในมุมของมุสลิมด้วย มุสลิมก็บางทีก็รบกันเองฆ่ากันเองก็มีนะพี่น้องรู้ไหมครับว่า อ, อ, อ่นเดี๋ยวอ่านอายะต่อนะเดี๋ยวมีดูอาด้วยอุนซุรไกฟนุซอรริฟุลอายตีลัดแล้วหุมยัฟกอฮูลจมพิจารณาดูเถิดมุฮัมมัดว่าเรากำลังแจกแจงอายะต่างๆอยู่อย่างไร เพื่อว่าพวกเขาจะได้เข้าใจคําว่ายัฟกอฮุนก็คือมีความเข้าใจพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่านในอายะกุรานนี้นะอิหมัมบุคฮอรีได้รายงานถึงอายะนี้แหละเมื่อยาบิดอิบนาบดิลลาเล่าว่าเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาวะฮุวะวะฮุวะลกอดิรอัลาอายะบาอัสอาไลกุมอัยซาบันมินฟาอกิคุม พอนบีได้ยินแบบนี้ปับ๊บนบีบอกเอาอูซูบีวะเจฮิกาฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพักของพระองค์ไม่ให้อุมมาของนบีเนี่ยโดนอาดาบที่ลงมาจากฟากฟ้นาบนาบีขอไว้เล็กก็ว่าเราบอกต่อเอามินตตะอรุจุลีกุ้มหรืออาดาบที่มาจากใต้ใต้เท้าของพวกท่านนาบีขออีกเอาซูบีวะเจฮิกาฉันขอความคุ้มครอง ด้วยพระพักของพระองค์พอมาถึงข้อความนี้เอาแยลบีซกุมชียาอาไวยไว้ยู้ยกอบาอวดาคุมบาสบาบนบีนบีรอซุนบอกว่าฮาดีฮีอัลฮวนูเอาไอซาลูนะกรณีนี้เนี่ยมันยังดีกว่าสองอันสองกรณีข้างบนนบีไม่ได้ขอว่าให้อัลลอฮ์คุ้มครองมองว่าอันเนี้ย ถ้ามันเกิดขึ้นกับอุมาของท่านเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไอ้กรณีที่เอา ล, ล่อส่งอาดามมาจากฟ้ า, ฟาเพราะอันนี้มันเหมาหมดเลยแต่อันนี้ยังยังเหลือไว้บ้างนะ อ, อีรายงานหนึ่งบอกว่าอิหมัมอัมมัดไดรายงานจากซาดบินอบีวะกอสไดเล่าว่าเราเนี่ยได้มุ่งหน้าไปพร้อมกับท่านรอซูลจนกระทั่งเราได้ผ่านที่มัสยิดเผ่ามูอาวิยะมัสยิดของเผ่ามูอาวิยะแล้ว ก, ก็ได้เข้าไปละหมาดสองรอกะอ่ะพร้อมกับท่านรอซูลท่านได้วิงวอนขอต่ออัลลอ ผู้ทรงเดชานุภาพเป็นเวลานานมากหลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าซาอัลตุรอบบีซาลลสันฉันเนี่ยได้ขออัลลอฮ์อยู่สามอย่างซาอัลตูฮูอัลลายุลิกอุมแตีบีกอรเกวะวอาตอนีฮะฉันขอพระองค์มิให้ทำลายประชาชาติของฉันด้วย ก, การจมน้ำเหมือนนี่เหมือนนบีเหมือนกลุ่มนบีนู่ะโดนจมน้ำตายหมด พระองค์ก็ให้แก่ฉันนี่ขอหนึ่งได้ขอสามได้ได้สองอีกข้อหนึ่งว่าอาลตุฮูอัลลายุลิกะบีซานตีฉันขอความคุ้มครองต่อลออย่าได้ทำลายประชาชาติของฉันทำให้เกิดความแห้งแล้งอย่างหนักคือพูดง่ายๆว่า ไม่มีอาหารกินจนกระทั่งอดตายกันเนี่ยอ่าคือจริงๆเนะี่ยอาหารน่มันมีแต่ไม่ไ่แบ่งกันที่มันมีตายเนี่ยนะมันกักเอาไว้แต่ประเภทอาหารหมดโลกดีย่ยังไม่มีนะหาวัวไม่มีแล้วหาไก่ไม่มีแล้วยังไม่มีนะดาบีข อ, อไว้พระองค์ก็ให้ฉัน แต่มันสุดท้ายเนี่ยฟะอัฟซาอัลทูห์อัลลายะจาละบาซาฮุมไบนะฮุมฟะมานาฟะมานานีฮาฉันขออย่างที่สามก็คือขอมิให้อันตรายของพวกเขาเกิดขึ้นกับพวกเขาเองไม่อยากให้อันตรายที่ดีนู่ในตัวเขาเนี่ยหรือว่าสัญชาติญาณดิบในตรงเขาเนี่ยมันเกิดทำร้ายตัวเขาเองซึ่งอันนี้อัลลอ์ น, นั้นไม่ให้ อ่าดูอ่านี้อัลลอฮ์ไม่ให้นะครับอีกหนึ่งฮะดีสที่รายงานจากคอบบับเอบนินอัอติีอัอตีซึ่งเป็นคนรับใช้ของเผาซูฮรอปรากฏว่าเขานั้นเนี่ยเคยออกสงครามบาดัสร่วมกับท่านรอซูนเขาเล่าว่าเขาได้มาประสบได้มาพบกับท่านรอซูนในคืนหนึ่งท่านได้ละหมาด ทั้งคืนเลยคือไปเจอเนบีเนบีละมาทั้งคืนเลยแน่นอนนะเนบีเป็นห่วงอุมม่าของท่านคนอื่นนะ่ยนอนกันนบีไม่นอนเ น, ะนบียืนขอดุอาเช้ามายังไม่ลุกไอ้เช้ามาเช้ามาก็ขอต่อจนกระทั่งอุบักบอกพอเถอะเห็นเนบีดุอาแล้วให้นบีพักบ้างเพียงพอแล้วที่ท่านขอดูอาขนาดนี้เพราะกลัวว่าอุมม่าเพิ่งออกสงครามแรกเนี่ยจะจะได้รับความแพ้และเลาล็อกมาทานข่าวดีว่าพระองค์จะให้ใชัยชนะ นะจนกระทั่งถึงเวลาย่ำรุ่งเมื่อท่านรอซูลุสลามเสร็จจากการละหมาดเขาก็ก่าว ก, กับท่านว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์เมื่อคืนนี้ท่านได้ละหมาดฉันไม่เคยเห็นท่านละหมาดเช่นนี้มาก่อนเลยคือละหมาดนานมากยืนละหมาดขอดูอาและท่านรอซูลก็ได้ตอบว่าอัจลอินนะฮะซอลเลตุรอหบินวารอบินวารอห์บินวรอหบินใช่แล้วมันเป็นละหมาด แห่งการขอที่ที่อยากได้เวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยพี่น้องผู้มีมั่นทั้งหลายเราก็จะพิถีพิถันมีความมานะวิริยะอุสาหะในการปฏิบัติถูกเพราะเป็นละหมาดที่นบีอยากจะได้รับการตอบรับจะดูอาโดยเฉพาะเรื่องของอุมมะของท่านที่กำลังจะออกไปรบนะซอ บ, บ้าของท่านนาบีและขอให้พ้นจากสิ่งที่ฉันกลัว เรีขอล่วงหน้าเลยไม่จะขอเฉพาะสอบาง๋ยวขอพวกเราหมดเลยฉันได้ขอต่อพระผู้อวยารของฉันผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงสูงสงสามอย่างซาอันตุรบบียสเดวเจลซึ่งในสองอย่างนี้เอาล่อให้และอีกหนึ่งอย่างเอาล่อไม่ให้ฉันขออย่าให้พระองค์ทรงทำลายพวกเราให้พินาศ ด, ด้วยวิธี การที่พระองค์ทําลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเราพินาศมาแล้วอ่าก็คือไม่ให้มีอาสาบเหมือนกับอุมลม玛ก่อนหน้านี้อาสาบแบบหนักๆรุนแรงถอนเล้าถอนค อ, อ, นคอไม่มีแล้วดาบีขอเอาเล่าให้และก็ขออย่าให้ศัตรูอื่นจากพวกเราเนี่ยมีชัยชนะเหนือพวกเราพระองค์ก็ได้ยอมรับโดยยอมให้ฉันแล้วก็ให้เรื่องนี้ พูดง่ายๆว่าศัตรูเนี่ยจะไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีชัยชนะเหนือพวกเราอันนี้วงเล็บแค่นิดหนึ่งนะกรณีที่มุสลิมเนี่ยมีความเข้มแข็งในเรื่องของหลักการศาสนาแต่ถ้าอ่อนแอเมาอยู่กับอาบายมุกอันนี้ไม่เหลือนะลุ่มหลงกับดุนยาอันนี้แ น, น่นอนแต่ถ้ายังเข้มแข็งยึดมั่นในเรื่องศาสนายังไงอัลลอฮ์ก็ให้ชัยชนะอยู่แลว้วนะ จึงได้เห็นถึงใคยชัยชนะของเหล่าซอบ้านอบีหลังจากนั้นนะเอาต่อมาแล้วก็ขออันสุดท้ายเนี่ยนะสะอันตุรบบีอัลเจวะจัลอัลลายุลบิสันาชิยอันฟะมานาอานีฟะมานาอานีฮาขอขออะไรขอให้พวกเรานะี่อย่าแตกแยกเป็นกกเป็นเหล่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันพวก คุณพวกฉันคนละพวกกันทั้งๆ ท, ที่เป็นมุสลิมเหมือนกันอันนี้อัลลอฮ์ไม่ยอมให้มันแก่ฉันนบีบอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องไม่เรื่องปกติที่เราจะเห็นประชาชาติของท่านนบีโดยเพราะสุดท้ายเนี่ยจตทาริคูฮะดิอุมะอัลาสลาสินอลาสลาินะบอีนฟรคในอนาคตประชาชาติของฉันเนี่จะแตกออกเป็น7็ากลุ่ม ทุกกลุ่มอยู่ในนรกยกเว้นมีกลุ่มเดียวที่ขึ้นสวรรค์ น, นะก็จะมีกลุ่มยะแยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวเรื่องของอากีดานะพี่น้องเรื่องฟิกก้นี่ไม่นับนะเออถ้าทําต่างกันเรื่องฟิกเนี่ยไม่เป็นไร mm. เห็นต่างกันเรื่องเป็นไรในพวกเดียวกันสีมัสฮับเนี่พวกเดียวกันไม่ใช่คนละพวกพวกเดียวกันแต่ไอ้ที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องอากีดา้าที่ไปเชื่อโตวารีไปกาบุ้กูโบเนี่ยนี่ไปแ ล, ล้ว มีมุสลิมเชื่อเรื่องเวียนว่ายไตเกิดไปเลยสมมุตินะตรงนี้เรื่องอากีดานะครับต่อมาครับอ่านต่อนะวก็จะบีฮีกลอมเกว่าฮวัลฮัก وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ك ُ ل َّ ทูลสตุอ้ายคุมบวคลตอายคุมบวคิลทูลสตุยบวค لكلنا بإيم مستقر وسوف تعلمون. لكل لكلنا بإيم م س ตักรู้ว่า سوفتعلم ทุกคนล้วนมุตกรู้ว่า سوفتعلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم ف a أعرض عنهم حتى يخوض في حديث غير แต่ยขุดฟีหดีสินไกร وَإِمَّا ي ُ س ِ ي َّ ن َ ك َ الشَّيْطَانُ فَلَا ت َ ق َ و ِ د ْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سي أنك ا ل ش น ط ฟล فلاتقعد بعد ذك رامعا อ๋ อ, อจ้ะไม่มีน้ำเหรออ่าห้ามกินน้ำนะแห้งเหรออ๋อคอแห้ง ใช้ใช้ข้อผลผันปะอ่าะเฟลาฟลาต้ากูดฟลาต้กูดบดดิกรอบัดดิกรอมาลเห็นไหมอ่านทีละคำนะใจเย็นอีกรอบหนึ่ง وإما يسينك الشيطان فلاتقعد ََ الش بعد َ ذك ِ را م َ ع ل ق و ْ م ِ الظالمين จะรักษาไม่เَาหมิَนห ل ิ่นว่ามาเกล้าที่นั่นจะต้ م งนับพิเ م ษบ่ม ว่ على ي มาเกล่ำ ن َานที่จะต ا م ง م ุ ن ในَิสาบิَมَ่นเชย ร่ลัลลัห์มยัตตะคุนว่าแตละิดร่ลัลลมยัตตะนอ่ามาดูความหมายนะและกลุ่มชนของเจ้านั้นได้ปฏิเสธกัซาบบิฮีกวมูกะวะฮัลฮัก ปฏิเสธอะไรล่ะปฏิเสธคําพีอันกุราณาทั้งทั้งที่กุรอาานี้เนี่ยเป็นศัจธรรมอ่าไม่มีพี่น้องครับในคําสอนในกุรอาานที่จะสอนให้ทําความชั่วไม่มีเลยหามาสิมีอันไหนที่สอนให้ทําความชั่วมั่งและไที่ห้ามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเน่ยเป็นเรื่องเรื่องไม่ดีทั้งนั้นแหละอ่าเป็นเรื่องไม่ดี ที่พิสูจน์ได้เลยที่มนุษย์รู้เลยวันมันไม่ดีเนี่ยอยู่ในกุฎีานแล้วก็ที่ยังไม่รู้ด้วยแต่หลังจากนั้นวิทยาการมามาพิสูจน์ให้เห็นว่าไอาการกระทําอย่างเงี้ยไม่ดีนะแม้กระทั่งเรื่องมรดกที่อิสลามได้แบ่งเอาไว้ตามหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่จะต้องดูแลนะ ซึ่งแน่นอนว่าคนแต่ละคนเนี่ยหน้าที่ในการดูแลมีความที่แตกต่างกันนะครับอิสลามก็กำหนดเอาไว้หมดน้องจะเห็นได้ว่าถ้าคำพีอันกุรานเนี่ยพูดที่ศรัทธาเนี่ยไม่มีนะที่จะเ้าเรียกอะไรดอกจันอ่าดอกจันเวลาไปซื้อบ้านเห็นบ้านใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหลถทันทีห้าแสนสมมติ แถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังมีแอร์อีกสามตัวพอเลี้ยวเข้าไปถามดูบอกหมดแล้วเข้าไปถามบอกหมดแล้วเอา้าสาเขียนไม้ตองใหญ่โตบอกอ๋อมีหลังเดียวดอกดูดอกจันดิให้เราเข้ามาก่อนตรงนี้ผมกำลังยกตัวอย่างว่ากุรานทั้งหมดนะครับเราต้องยอมรับทั้งหมดเลย น, นี่หลักการศาสนาจะมา ยอมรับบางอันอันนี้ไว้ก่อนไม่รับนะไอ้ที่รับบางส่วนไม่ได้มุสลิมนี่ต้องร้อยเปอร์เซเกินร้อยด้วยจะมามาแค่ครึ่งๆึ่งไม่ได้นะครับคราวนี้กลุ่มชนของพวกเขาก็คือกลุ่มชนกูเรชกลุ่มชนของนบีเนะี่ยกลุ่มชนใดล่ะกลุ่มรมกูเรชได้ปฏิเสธกุรอาน ท, ทั้งทั้งในกุอานนี่เป็นศัตธรรมและก็ไม่มีข้อสงสัยแต่ประการใด <c oughs> กุลละสตุอัยและกุมบิวากีลจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าฉันไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์พวกท่านดอกหรือหมายถึงฉันไม่ได้เป็นผู้คอยดูเลพวกท่านอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นผู้ดูเลพวกท่านเหรอนะจำได้ไหมในสุลักูร์ชที่อัลลอ์ให้ความโปรดปานให้พ้นจากความหิวความาความหิวต่างๆ ให้ความปลอดภัยให้เดินทางขึ้นไปเหนือไปใต้ไปเมืองชามไปก็นี่คือความโปรดปัานของที่เอา่อให้กับกูรชให้ความมั่งคัง่งให้คนเดินทางมาที่มักกะแล้วก็นำทรัพย์นำทรัพย์สินมาไว้ที่เนี่นะอัลลอฮบอกต่อว่าลิกุลลีนับอินมุสตะกอรุวาซอฟะตะละมูนสำหรับแต่ละข่าวนั้น ย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นและพระเจ้าก็จะได้รู้แปลว่าอะไรอิมนุอับบาสบอกว่าทุกขราวทุกข่าวคราวที่เป็นสัจธรรมและความจริงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถึงแม้จะใช้ระยะเวลาหนึ่งก็ตามเพราะในกุรอ่านนี้มีทั้งการบอกถึงอนาคตบุริบัตรรูมรูมจะพินาศรวมจะอะไรเนี่ยนะมีการบอกอไว้เร็วแล้วก็รอคอยวันเวลาแล้วมันก็เกิดขึ้น จริงๆตามระยะเวลาที่อัลลอ์ได้กำหนดเอาไว้นบีเคยพูดไว้เลว้วตอนปีนภูเขาอุฮุดภูเขาฮุดมันสัน่นนะพอสั่นเสร็จนบีก็เอาเท้านะ่ทึบกระทึบลงไปแล้วบอกว่าอุฮุดเนี่ยให้นิ่งให้มั่นคงเอาไว้เพราะคนที่ปีนตอนนี้ก็คือฉันนบีอ่าแล้วก็มีอับูบักและก็วะชะฮีดานใครอะ อูมัดและก็อุสมานบอกไว้เลยว่าจะได้ช ه ي د สองคนไม่บอกอบูบักนะเพราะอับูบักไม่ได้ตาย شهيد อับูบักตายบนที่นอนแต่คนที่ได้ شهيد คืออบูบักและกุชมานถูกสังหารถูกลอบฆ่าบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนทั้งสองคนทั้งสามคนยังมีชีวิตนบียังมีชีวิตแล้วอนาคตก็มาเกิดขึ้นเป็นไปตามที่นบีบอกนะไม่ไม่มีอะไรที่ที่ในคุรานหรือในหะดิษได้พูดเอาไว้เรื่อง อาบูลาฮับสุรตัต บ, บัตบอกตั้งแต่มันยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ตายว่าเป็นชาวนรกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตามนั้นเลยทั้งเมียด้วยอะไรนะอุ ม, มุญามีนชื่อเพาะนะอุ ม, มูญามีนแต่อย่างเลวเลยแบกฟืนในนรกกับหัวกับสามีนะชื่อเพาะนะแต่ว่าพฤติกรรมไม่ดี น, ะนี่สองคนนี้กุไอ่านบอกไว้หมดแล้ว แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเกิดตามเวลาที่อัลลอ์ได้ ก, กำหนดเอาไว้วันกิยามะจะเกิดอะไรกุอ่านบอกหมดแล้วเป็นลักษณะยังไงยังไงไงเดี๋ยวมันก็เกิดตามเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แต่ตอนนี้ยังไม่มีอ่าปวกภูเขาปิวว่อนอะไรนะในใ น, ในที่ที่กุอ่านเล่าไว้ลิกุลเลอาจารินกิจบสำหรับทุกสิ่งนั้นบันทึกเอาไว้หมดแล้วเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กหนดนะ เอาต่อมาว่า ذا ร้ายทั้งทีนั่ยขุดนฟีอายะตินาฟ้าอรด์ันหุมฮัตยาขุดูฟีฮัดีซินรยีและเมื่อเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่กำลังวิพาวิจาร์อายะของเราแล้วแล้วก็ก็จงหันออกห่างจากพวกเขาเสียจนกว่าพวกเขาจะวิพาวิจารในเรื่องอื่น และถ้าเช่ตอนทำให้เจ้าลืมว่าอ si ิมมานซิยันเนียนันก็ใช่ตอนและถ้าหากใช่ตอนทำให้เจ้าลืมแล้วก็จงอย่านั่งร่วมกับพวกที่อาธรรมเหล่านั้นหลังจากที่มีการตักเตือนให้เกิดขึ้นได้ไดมันอาจจะมีลืมไปบ้างเผลอเลยไปบ้างใชตนมันทให้ลืมแต่พอได้สติรู้ตัวแล้วก็ต้องหันกลับมาออกมานะ ตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาวตาแลไม่ให้เราไปร่วมวงกับคนที่ดูถูกดูหมิน่นศาสนาไ ป, ววไปร่วมวงไม่ได้ไอ้คนที่ดูหมิน่นศาสนาเป็นศัตรูชัดเจนนะคนที่พูดโกหกดูถูกเหยียดหยามอัลลอฮ์อย่าไปร่วมวงกับมันจงออกห่างจนกระทั่งเริ่มพูดเรื่องอื่นถึงจะไปนั่งได้ ถ้าพูดเรื่องอัลลอฮ์นี่ไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์ทีในการดูถูกดูแคลนนี่นะถ้าเชตตอนทำให้ลืมตรงนี้หมายถึงแต่ละคนในประชาชาตินี้เะยต้องหลีกเลี่ยงไม่นั่งร่วมพูดคุยกับคนที่โกหกบิดเบือนอายะของอัลลอ์สับเปลี่ยนที่ของมันนะหมายถึงเปลี่ยนแปลง <c oughs> คำพูดของอัลลอ์นะ ซึ่งมีอยู่สามอย่างที่อัลลอ์ไม่เอาโทษถ้าเกิดไปทำผิดหนึ่งรูฟิอาอันอุ ม, มตีอัลคอตะอถ้าเราทำโดยเกิดข้อผิดพลาดอันนี้อัลลอ์ไม่เอาโทษนะดังนั้นสมัยก่อนเลยเราเคยไม่รู้เรื่องอะ่ะสมัยก่อนก็ททำบุญกันเราก็ต้อง เอาไก่เอาอะไรมาปักทูปอะไรไม่รู้สมัยก่นอนก็ไม่รู้ได้ทำไงเลี้ยงยินเลี้ยงอะไรกันเออทาอะไรแปลกๆอ่าก็รุ่นปูย่ย่าตายายทํามาพอเราโตมาเรามาเรียนรู้ทีหลังไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยเพราะเกิดจากความไม่รู้อ่าอะไรก็ได้ทุกเรื่องแหละไอ้ที่เคยผิดพลาดสมัยก่อนนะอ่ะอ่านะพอกับเนื้อกับตัวแลว้วอัลลอฮ์ก็ให้อภัยนะไอ้คำว่าเขาต่อตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าผิดพลาด ต้องไม่พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะอ่าดได้คนเรามันผิดพังกันได้แต่อย่าให้ซ้ำเหมือนเดิมนะครับอย่าเหมือนเดิมว่นนานิสยานหลงลืมไปหลงลืมอันนี้ก็ไม่เอาโทษ <c oughs> อันสุดท้ายเลย <c oughs> ว่ามัสตุกริหูอะไรถูกบังคับให้ทำเอาปืนจี้เลยให้กินข้าว นะฮะมีคนเอาปืนจี้กีให้กินข้าวถ้าไม่กินจะยิงกีกีก็ต้องกินข้าวอ๋อยไม่ผิดกีบอกไม่ผิดนะแต่ไม่มีใครมาจี้กีนะห้ามกินนะครับเออนะนี่สามอย่างที่อัลลอฮฺจะไม่เอาโทษนะเอาใช้กับเรื่องนี้ด้วยไปนั่งรวมกับคนที่วิพาควิจารณ์บางทีไม่รู้อ่ะไม่รู้เบื้องลึกมันน่ะว่ามันว่ารอไว้เราก็ไปนั่งคุยอย่างดีเลยไอ้นี่ก็เดินมาผ่านอ้าวเห็นไหมแกไปนั่งคุยกับเขาได้ไงอ่ะไอ้นี่ตัวร้ายเลยว่าอเรอ ก็ต้องไปถามเขาเขารู้หรือเปล่าเพราะไอ้ตอนที่เขาคุยกันเนี่ยเขาเขาคุยกันเรื่องอื่นเอ่ก็ไม่รู้ไงะนะดังนั้นถ้าเกิดจะข้อผิดพลาดเอาว่าไม่เอาโทษแตท่ทั้งที่รู้เลยเนี่ยไอ้เนี่ยมันตัวว่าล้อเลยตัวใส่อะไรนนะพูดถูกดูถูกเยียดยา ม, มุสลิมแล้วเราก็ไปนั่งร่วมกับเขาเนี่ยนั่นแหละเสร็จเลยพี่น้องอันนี้เรามีบาปมีโทษแล้วอ้าวต่อมาวะมาอาลา ว่ามาและดีนะยัตะกูนมินไฮซาบิหิมมินเชอินและไม่เป็นภัยแก่ผู้ยำเกรงแต่อย่างใดในสภาพของพวกเขาคนที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เนี่ยไอพวกที่วิาพากวิจารณ์มันไม่ได้ทําให้ศรัทธาของเราเนี่ยลดลงนะมันจะวิาพากษวิจารยังไงก็แล้วแต่บอกศาสนาอิสลามนี่ศาสนาอะไรเนี่ยเอออยู่ในกรอบเคร่งจังเลยถามว่าพวกเรายังเลิกพวกเราจะเลิกบวชไหมไม่เลิกหรอก เ, ออเลิกละหมาดเหรอมัว่าศาสนาสลามแต่งตัวอย่งังดินจาพวกเราจะเลิกคุมหัวเหรอ้ป่าหรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเราก็ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้แต่ถ้าว่าตักเตือนพวกเขาเนี่ยแต่ถ้าว่าต้องตักเตือนพวกเขานีดีมากเลยเวลากินวิกรอแต่ได้เวลาที่เหมาะเขาเรียกศบโอกาสก็ใช้โอกาสนั้นในการเตือนบอกขานี้เนียมันสองอย่างเข้าไปร่วมกับเขาเนี่ย ถ้ามีโอกาสที่จะเตือนได้ใช้โอกาสนั้นเตือนได้อันนี้ไม่ผิดนะคือเข้าไปเลยมันเคยมีเช็คไนงะเชคคนนึงเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เขียนในหนังสอธรรมศาสตร์ไม่รู้วันนั้นเดินหลงทางไงไม่รู้เข้าไปในในที่ของสตรีที่ว่าขายตัวไปนั่งหัวโดยอยู่ก็งงอธิบาไมมาอยู่ตรงนี้ทําไมแสงมันแดงๆใช่ ไ, ไหมอพอเห็นปับ๊บอ้าวนี่ผู้หญิงขายตัวนี่ ได้โอกาสก็ไม่ใช่ว่าเขาไปเที่ยวผู้หญิงไม่ใช่ได้โอกาสก็ทำการนซนะีฮัตพวกเธอเลยถามพวกเธอเป็นลูกหลานใครเนี่ยพ่อแม่ตระกูลนี้หรอเอ้าทําไมมาอยู่นี่ได้เอาล้อพวกนี้แทบจะก็เลิกเลยตบัดตัวเลยวันนั้นได้พวกโสเพณีกลับเนืน้อกลับตัวไม่เพียบเลยถ้าไม่ได้หลงเข้าไปก็ไม่ได้เตือนนะเพราะพวกนี้แอบทําอยู่แล้วแอบทําตอนกลางคืนแต่เชคดันเดินเอาล้อนะให้หลงเข้าไปพอหลงเข้าไปเสร็จได้โอกาสนั้นก็เตือนบอกแล้วก็ได้คนดีกลับมาอีก นะนั้นไอาการเข้าไปใ น, ในที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องดูบริบทด้วยคนเมากันเลยเข้าไปเตือนโดนแทงแน่นอนไม่ต้องห่วงตายมันตีเราแน่เมาอยู่เงี้ยไม่ได้นะอา้าวถ้ามันเลิกแล้วมันวิ่งมามันได้รับการมันมาอยู่ที่บ้านเรามันพูดจารู้เรื่องแล้วอา้าวพูดการเตือนกันเรื่องศาสนาอันนี้ได้นะครับล้แล้หุมยัตะกูณเผื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง อันต่อเนื่องว่าริ่ล่นั่ีนันพวกเขาว่าและว่าว่าว่าวววว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่ อีรอบหนึ <S <S ่งว่าดัลที่นัทขอَูด ا น ل َّ ذ ว ي ن َ ا ت ลّวَ ذ ُ و ا د ِ ي ن ุ ه ُ م ْ لَعِبًا แْะก <S ess> nice, uh ็รักความَีวิตโลกและทَงจดจَเِื่องราวการบำเ ب ็ س َ ل َ ن َ ف ْ س ว ب ส م َ ا كَسَبَتْ บَ ي ْ س َ لَهَا م ด ن าโดยธรร ل ชาติ อิสลามิ่ดูนิลลาและทกใรบไปสูบริสัต้องะลบานัมบิากะบัตะลมินุนลลา ليس له من دون الله ولي ولا شفيع وإن ط َ ع د كل عد لله يخذ منها อุล่าอิคลาดีน้าอุบสิลูบิมะคาซาบูอุล่าอิคลาดีน้า ท ذ านผู س ใดที่จะมาสู่โลกนี้ มิผามิมนรงและอาบุนอาลิมุบิมากค่นุยฟูรุน อีกรอบนึ่งนะยักษ์เมื่อกีอ่านผิดนะยักษ์เราก็ไปเปลี่ยนแก้ให้ลาหุมชะรอบุมมินฮมีมิวะอาซาบุนอลีมมบิมากะนูยักฟูรูน มาดูอายะที่เจ็สบนะอายะที่เจ็ดสบจะสามสี่บรรทัดนะเ า, าบอกว่าและจงอย่ายุ่งเกี่ยว mm hmm. ว่าาริลลดีนัตตาคอดูดีนะฮุมละอีเบลอย่าและอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาเป็นของเล่นเอาศาสนาเป็นเรื่องเล่น ก็ใช่ไงไม่จริงจังไงพวกไม่จริงจังกับเรือศา ส, สนามีไหมเออเยอะนะพี่น้องนะคือเรื่องศาสนาเป็นเรื่องในใจเขาวาอัลลอฮ์อยู่ในใจแล้วก็ไม่แสดงออกมาเลยนะถึงความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์อยู่ในใจอย่างเดียวไม่ไม่แสดงออกมาเลยอ่าศาสนาเป็นเรื่องเล่นเล่นแปะว่าไม่ใส่ใจละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างบวชบัง่งไม่บวชบัง่งนะ เดินเต็มๆนั่นแะนะอ่าไอ้พวกเนี้ยพวกนี้มันเอาเราจะบอกนะมันมันสาเหตุเพราะอะไรเพราะไม่จริงจังกับเรื่องศาสนามีไปงั้นแหละมีให้ให้รู้ว่ามีอ่าบางคนเนี่ยต้องถามถึงขั้นฮะเลยนะบ อ, อกเป็นมุสลิมฮะ <c oughs> ตกใจกับภาพที่เห็นใช่หรอเอ๋ดูจากพฤติกรรมแปลกนะเอออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึดเอาศาสนาเป็นของเล่นนะ และก็ไงต่อและเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินนะให้ศาสนาเนี่ยเขาบอกคือจงละทิ้งพวกเขาหันเหออกจากพวกเขาอย่าไปยุ่งเกี่ยวพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่จะได้รับโทษจากอ AH. ัลลอฮ์นะและเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยหลอกลวงเขา อ่าเพราะสาเหตุก็คือเขาหลงติดกับอยู่กับดุนยาอ่พาพอเราเนี่ยสะสมอะไรสะสมคุณงามความดีกันพอเรามาโดนมาโอ้โหนั่งอ่านกุรณานละหมาด ก, กันบริจาค ก, กันเพราะเราต้องต้องการสะสมความดีเพื่อที่จะเป็นสเสบียงกลับไปหาอัลลอฮฺแต่ถ้าคนนี้เขาหลงอยู่กับดุนยาเขาจะสะสมอีแบบหนึง่ง ใครที่เป็นสาวกของรถยนต์เขาก็จะหามาสะสมเพลิดเพลินไม่ได้ครับรถเออใส่ไวไ้ในโรงพันไม่รับหรอกเช็ดเราเช็ดเอาชอบบางคนมีนะเป็นสิบสิบคันเลยสะสมอ่าใครมีทรัพย์ก็วันวันหนึ่งก็จะนั่งดูเงินในบัญชีมันเข้ามีความสุขความสุขนะใครชอบอะไรในดุ n y าเขาก็จะสะสมไอ้นั่นในดุ n y าแต่สําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธานเนี่ยเขาชอบความดีก็สะสมความดีเขาก็จะ ทุ่มเทในการทำอิบัตดาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกต่อนบีบอกต่อว่าอัลลอฮ์บอกต่อว่าไงว่าザเกิรบีฮีจงใช้กุรอานเนี่ยเป็นข้อตักเตือนจงเตือนเขาด้วยกุรอานการที่ชีวิตหนึ่งถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตนะการที่ชีวิตหนึ่งเนี่ยถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้สแสวงหาไว้โดยอื่นจากอัลลอฮ์แล้ว ภาษาภาษาฟังยากหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่ตกอยู่ในภวังสังกัดอ่ะสังกัดแปลว่าไม่สามารถจะออกไปนอกสังกัดได้เห็นไหมสังกัดเหมือนถ้าเป็นคนที่อยู่ในสังกัดบริษัทก็ไปทํางานอื่นไม่ได้ต้องอยู่ทำตามในสัญญาเป็นสัญญาอยู่ติดสังกัดไปไปดุ้มคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันใครที่แสวงหาอะไรก็แล้วแต่ชอบอะไรก็จะอยู่กับมัน แต่วงเล็บ ก, ก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่อื่นจก Allah. อ่อนล่ออ่าไม่ใช่เรื่องศาสนานะพู ด, ดง่ายๆก็ไปสังกัดอยู่สแสวงหามันอยู่นั่นแหละตามหาวันกิยามัจจะเกิดได้ไม่มีผู้คุ้มครองใดๆไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับชีวิตนั้นนะแลต้าีวิตถ้าชีวิตนั้นจะไถ่ถอนด้วยการไถ่ถอนทุกอย่างมันก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น แปลว่าไอ้สิ่งที่เขาสะสมเอาไว้ในดุนยาเนี่ยเขาจะเอามันมาไถ่ตัวเขาจากนรกไม่ได้ครับเอาลอตไม่รับเอาลอตรับเฉพาะความดีเท่านั้นจะเอาทรัพย์เอาอะไรสมมติสังกัดคนที่ติดอยู่ในหลุมหลุ ม, ล ม, ลมางของตำแหน่งโอ้โหตายไปนี่ระดั บ, ดบสีใหญ่เลยทั้งด็อกเตอร์ก็มีศาสตราจารย์ก็มีโอ้โหบาลเลย ตำแหน่งใหญ่เลยวันเกียรมัดตายไปฟื้นขึ้นมาจะเอาตำแหน่งมาไถ่ไถ่ตัวกอลล์ล AH. ้อยาวล้อฉันนี่ระดับซีใหญ่สุดเลยนะเออก็ไม่ละหมาดแ่เมืองซีใหญ่ขนาดไหนแต่มืงไม่ละหมาดไปไปหลงนรกไม่ได้ อ, อจะซีใหญ่ก็ต้องละหมาดจะตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ละหมาดนะแต่ถ้าจะเอาตำแหน่งมาไถ่ตัวกอลล์ล้อจะเอาทรัพย์ที่มีที่เขาสะสมไปไถ่ตัวกอลล์ล้อเอาล้อไม่รับเลย เอาล่ะไม่รับนชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ถูกให้สังกัดอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้สแสวงหาไว้นะลุ่มหลงอะอยู่กับสิ่งที่เขาสแสวงหาไว้ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะรับเครื่องดื่มในวันกิยามาชาร์ร่บุนมินฮฮมีนเป็นเครื่องดื่มพิเศษเป็นเครื่องดื่มที่ร้อนจัดไม่ใช่ไม่ใช่ดีนะพี่น้อง น้ำร้อนๆ น, น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำร้อนน้ำจากไฟนรกและก็ได้รับการลงโทษอาเดบุนอาลีมอย่างเจ็บแสบบีมาการูยักฟูรูจากสิ่งที่เขาเคยปฏิเสธศรัทธาต่อเล่าไว้นะซึ่งมีความคำแปลเนี่ยไอ้คำว่า <c oughs> ที่บอกกัดขังใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะอนุญาตนะ อันตูบัซาละนับซุ่มคำว่าตัวบัซูเนี่ยแปลว่าถูกกักขังอยู่ถูกกักขังอยู่กักขังอยู่กับสิ่งที่เขาแสวงหาที่อื่นจากอัลลอฮ์ก็ขังเอาไว้อีกอันนึงแปลได้คําว่าแปลว่าอะไรตูมีมความหมายว่าทําให้ถูกอัปยศในวันกิยามัดที่เขาแสวงหาไว้แล้วไม่ได้มีเพื่ออัลลอฮ์นะอัปยศอีกอันนึงบอกว่าตัวอะคอ ถูกเอาอย่างนั้นถูกตอบแทนอย่างนั้นตุจจซีซึ่งอันนี้ก็จะมีความหมายสรุปได้เลยความหมายก็คือคนที่ไม่เอาเอาแต่เรื่องดุญยาไม่สนใจเรื่องศาสนานะจะเกิดความเสียหายและถูกกักขังจากความดีเขาจะไม่หาความดีไม่เจอและก็ถูกคัมประกันโดยไม่บรรลุปเป้าหมายาดังที่อัลลอบอกว่ากุลูนับซิมบิมากะซาบัตรอฮีนะ แปลว่าไรแต่และชีวิตนั้นย่อมถูกค้ำประกันด้วยกับสิ่งที่ขนขวายเอาไว้เราขนขวายเรื่องความดีเราก็ถูกประกันด้วยความดีนะอิลลอัสฮาบัลเลยมีนยกเวน้นบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาเขาก็จะใฝ่หาแต่ความดีงามนะครับ อ, อ่านต่อนะ 71, ็2 7ิบจบ ก็ฉันจะเร ل ยกโ ا و َ ل ่มีใ د ُมาช ن َ ا و َ ل ไม่จะ و ن รรณะแ ا و เราจะตอบกَับแก่เราเองหลัَ ا ากท กัลลัฎิสต์เหว่ทุษะชัยติณุใน الأرض หายน ا أ ص ح ا ่งเดาหนูไปแล้วเด็กทีน่ะแล้วเขาจะมีอย่างเดียวหนูไป จะเดาหลูกเด็กนุ่กคน อ ل ل น้าฮุดั هُدَى اللَّهِ ه ُ وأُمِرْنَا ل ِ ن ُ س ْ ل ِ م َ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ วันอา قيم الصلاة واتقوا วันอา قيم الصلاة واتقوا อ่านี่มีหายอยู่ข้างหลังด้วยกูพ่น ล, ลมด้วยนะมีหายอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งอ่าไอ้รอบหนึ่ง و َ وَأَن أ َ قيم ُِ الصلاة ََّ واتقوا َ وهو َُ الذي ِ إليه ِ ت ُ ح ش َ ر و ُ وَهُوَ الَّذِي إليه َِِْ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي إليه َِِْ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ ّ อืมวียูมายักูล ف َ ي ฟยُกูล ก ا ูลุห์อัลฮะกก ا ูลุห์อักกะก็และก็ม้ทมุลกใยในสิ่ง่เขาไดร ตัวรออยู่ข้างหลังด้วยนะเยาไม่ยฟู่ฟิสซูรตัวรออยู่ด้วย عالم الغيب و ا ل ش ه า د ا ت وهو الحكيم الخبير อะมาดูความหมายนะครับกุล จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเราจะขออ่าเราจะวิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราและไม่ให้โทษทันแก่เราอื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือเป็นการตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยเวลาจะขออะไรก็แล้วแต่เราต้องพิจารณาถึงผู้ที่เราจะขอใช่ไหม อ่าไม่ต้องเอาเอาเรื่องดุลยาก่อนเช่นเราจะไปขอให้คนนึงเนี่ยมาช่วยยกถังแก๊สเดินไปเลยเข้าไปในบ้านคนนั้นเลยบางยีช่วยยกแก๊สให้ฉันหน่อยบางยีนี่นอนติดเตียงอยู่ฟอกไตอยู่นอนติดเตียงบางยีก็คงจะ ด, าด่าเนาะไม่ได้ดูสภาพกูเลยเข้าใจไหมไปไปขอกับกับคนไปขอแรงเขายังมายกของหนัก แต่สภาพเขาเนี่ยนอนพังงาบอยู่แล้วนอนติดเตียงไม่ได้ลุกออกมาจากห้องเนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนแล้วไปขอให้เขามายกถังเกตอืมอันนี้พูดถึงในมุมของดุญยาเข่ไหมเออคือผู้ที่จะให้การช่วยเหลือเราเราก็ต้องประเมินด้วยเ น, นี่ยจะไปข อ, อขอแรงเขาให้มาเนี่ยยี่จ๋าช่วยขับขับรถให้ฉันหน่อยยี่ขับรถไปเป็นเนะ่ะ ไปขอเขาเขาจะช่วยไหมล่ะเขาขับรถไปเป็นได้ไหมเอออันนี้มนุษย์เราเนี่ยยังเวลาขอให้คนษย์ช่วยกันดิช่วยกันเองเนี่ยยังต้องพิจารณาเลยเออเราอยากจะให้คนทำอาหารให้เราเราก็ต้องไปหาคนที่ทำอาหารเป็นอยากให้คนเลี้ยงลูกให้เราช่วยเลี้ยงลูกก็ต้องคนเลี้ยงเป็นใช่ ไ, ไมอันนี้เหมือนกันว่าเราจะขออำนาจนะหรือผลที่จะเกิดขึ้น <c oughs> ซึ่งบนโลกนี้เนี่ยไม่มีใครให้ได้เว้นแต่อำนาจของอัลลอ์เท่านั้นขอดุดาเนี่ยไปขอดุอากับสิ่งอื่นสิ่งใดมันต้องขอกออัลลอ์ขอให้หายป่วยต้องขอกออัลลอฮ์แขอฮีดายะให้ทางนําให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวก็ขอกออัลลอ์แต่ครนี้เนี่ยถ้ามีคนที่เขา เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วเรามารู้จักอัลลอฮ์แล้วเริ่มทำชีริกแล้วนะและก็เรียกร้องเชิญชวนบอกเฮ้ยทำไมไม่กลับมาทำเหมือนเดิมแล้วจงกล่าวเธอมูฮัมหมัดจะให้เราไปขอกับสิ่งอื่นที่ไม่ได้มีประโยชน์กับเราให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้อื่นจากอัลลอฮ์กันนั้นหรือและเราก็จะถูกใหหันส้นเท้าของเรากลับ <c oughs> หมายถึงกลับไปเป็นดังพวกเดิมบาร์เดอเอฮะดานนัหหลังจากที่อัลลอ์ให้ทางนำแก่เราเลวพี่น้องครับหนึ่งในโทษประหารนะที่อิสลามกำหนดเอาไว้ก็คือคนที่มุรตัดมุรตัตนะเขาถือว่าเป็นคนที่ถ้าเป็นกฎหมายามกาย็ได้กดเป็นกฎหมายกระบทต่อศาสนา อ่าถ้าออกแบบยิ้มเงียบไม่มีใครรู้อีเรื่องหนึง่งแต่ถ้าออกแบบประกาศแล้วก็พูดท้าทายด้วยนะถ้าใช้กฎหมาย i s l ามก็ต้องจับมาสอบสวนอาบ้าหรือเปล่าสตีดีไหมอ่าถ้าดีไม่ว่ากันคนบ้าจะไปเอาอะไรอ่าสติดีมีสัมปชัญะดีเอาให้เวลาสามวันขังเอาไว้กับตัวกับตัวไหมเตบัตรตัวไหมเอาไม่เตาบัตรตัวนู่นเลยประหารและประหารนี่นะเอาไปละหมาดไม่ได้ด้วยนะ เพราะถือว่าตกในสถานนะกาเฟตเลยนะดังนั้นเนี่ยการการมารับอิสลามไม่มีการบังคับจำเลยนะอิสลามไม่บังคับใหม้มานับถือมามาเชื่อต้องมาด้วยความสมัครใจแล้วก็อีมานแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยไม่มีออกนะ ก็ถือว่าคุณมาเจอสัจธรรมแล้วฮาดานาแล้วมาเจอสัจธรรมมาเจอของดีแล้วยังจะออกทำไมอ่ะถ้าออกนี่แสดงว่าคุณสติไม่ดีแล้วหรือพูดอย่างง่ายคุณอาจจะดูหมิ่นศาสนาเราก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเจอคุณของดีแล้วอะของที่มันถูกแล้วแล้วคุณบอกว่าออกไปอย่างเดิมดีกว่ากาเลดิสต้าวัตุชชียตีนูฟนฟิลอารดิไฮรอนนะ และเราก็ได้ถูวให้หันขรงเราหลังจากที่อัลลอ์นั้นได้ทรงให้ทางนําแก่เราแล้วดังผู้ดังผู้ที่พวกชัยตอนได้ทำให้วกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดินในสภาพที่งงงวยคนที่ยังหาทางนําไม่เจอเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในแผ่นดินที่มันกว้างพี่น้องนึกสภาพนะ สมมุติโดนจับไปปล่อยในทิ่โลง่งกว้างเลยท้องทะเลทรายสมมุติและคนที่ไม่มีทางนาอ่ะกูจะไปทางไหนวะนึกในใจไปทางไหนเนี่ยมันจะงงไปหมดจะไปทางนี้กับไปทางนู้นไปมันรอบไม่รู้จะไปทางไห น, นไม่มีทางนำไงไม่มีเป้าหมายในการที่จะออกเดินทางเพราะอัลลอ์ในขัตติบอกว่าพวกเราเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนคนที่เดินทางกันอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนคนเดินทางนะ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจากแน่นอนบังคับจากด้วยเออนั้นเวลาเดินทางก็ต้องเตรียมสเสบียงอยู่ในสภาพที่งงงวยไม่รู้ไม่มีทางนําไม่รู้หนทางนะนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะที่เราจะขับไปโดยไม่มีเป้าหมายจริงๆต้องมีเป้าหมายกันนั้นแหละเวลาขับรถออกจากบ้านจะไปไหนเรื่องของเรื่องจะไปไหนอ่าแต่ไปแล้วไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งหลงเนี่ยมีแต่ถ้าไม่รู้จะไปไหนนี่จบเลยนะ ไม่ถูกไม่รู้จะถึงที่ไหนด้วยเพราะว่าไม่มีเป้าหมายอ่แต่อิสลามเราให้พวกเรากําหนดเป้าหมายแลย้วเป้าหมายของเราก็คือการพักดีต่อหล่อเกิดมาเพื่อทําอิบาด์ดาต่อหล่อแล้วก็กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ได้รับความเมตตาและก็ได้เข้าสวรรค์นะซึ่งมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเรียกร้องไปสู่ทางนําที่ถูกต้อง อ่า له أصحاب يدعونه อู ى هودا นี่เนี่ะฮูดะนีนาะนะไอ้เพื่อนเนี่ยมันก็เรียกกลับมาเหอะอย่าไปเป็นเลยมุสลิมนะกลับมาอยู่เหมือนพวกเรามาลงขวดเป็นพวกเราดีกว่าแอบสมมุติก็เรียกเรียกนะ แล้วบอกไงกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงอินนหลลา ห, หูดาลอฮิฮวนหูดาแท้จริงทางนำของอัลลอฮ์เทนนั้นแหละที่เป็นทางนำที่ถูกต้องไอที่เหลือเนี่ยเป็นทางที่ไม่ถูกเท่านั้นถ้าอยู่ในทางถูกต้องแล้วเนี่ยต้องออกไปหาทางอื่นดีไหมไม่ต้องแล้วบางคนนี่ถูกถูกอะไรนะถูกคนรอบข้า ง, บ, างบังคับ โดยเฉพาะมูอันลับนะพวกเรานี่มีปัญหาเราพวกเราเนี่ ย, ยเ เ, ยเป็นมุสลิมนะแต่เกิดแต่คนที่เป็นมูอันลับเนี่ยเขาเจอแบบนี้อยู่แล้วพอเขารับอิสลามพ่อแม่พ่อแม่ไปถ้าถ้าเขารับยอมรับก็ดีไปถ้าเขาต่อต้านขึ้นมาก็โดนบ่นทุกวันเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่เอยเพื่อนฝูงเออเพื่อนไม่คบอ่าแล้วเพื่อนก็มองว่าเราเป็นตัวแปลกประหลาดเมื่อก่อนไปเที่ยวด้วยกันใส่ใส่สั้นเสมอตลอดตอนนี้จะไปเที่ยวด้วยกันต้องปิดหน้าปิดตามันจะคบกับเราไหมล่ะ ไอ้วันนี้ก็กวักมือเรียกตลอดเฮ้ยกลับมาเหมือนเดิมเพ้ออย่าไปแต่งตัวเลยแบบน้ําร้อนให้ตอบไปเลยนะกุลอ oh ินนาหูดาลอฮิฮวนหูดาทางนําของเราเป็นทางที่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องมาเรียกฉันนะเราเจอทางที่ถูกต้องแล้ววะอุม um ิรนานะและพวกเราถูกและพวกเราเนี่ยได้รับบัญชาอุมิรนาถูกบัญชามารับบัญชามา ลีนุสลีมาลีร็อบบิลไนแลมีนเอาโอหฮามดุดิละบัญชาอะไรเพื่อให้เราทำการสวามิภักดิ์แด่พระผู้อภิบาลแห่งสา ก, กลโลกมาชอาัลลอเราเกิดมาเพื่อรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์เป็นบ่าวไงเป็นบ่าวก็รับคำสั่งจากผู้เป็นนายก็คืออัลลอฮ์ให้เราทำการสวามิภักดิ์พักดีต่ออัลลอ์นะอ่ะต่อมานะ ว่อันอากีม <c oughs> ุสซลวอันอากีมุสซลาอัลลอฮ์ใช้อะไรละ่ะหลกัหลกๆเลยอากีมุสซลาอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดฟัดดูห้าเวลาเห็นไหมเริ่มต้นเดือนแรกเลยที่เป็นอามันที่เป็นเรื่องแรกนะอามันแรกที่อัลลอฮ์จะใช้เราบางคนบอกเอาปฏิญาณตนปฏิญาณตนเนี่ยมันสำหรับคนจะรับอิสลาม ปฏิญาณรอบเดียวมันจะเป็นแวนทุวันรอบเดียวพอรับอิสลามปับ๊บอามันแรกที่ต้องทําเลยคือละหมาดนั้นจะมาตั้งคําถามว่าแล้วถ้าบวชแล้วไม่ละหมาดจะได้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยกินกับปัญญาเป็นคําถามเหมือนคนสติไม่สมประกอบอะ่ะเออถ้าบวชแล้วไม่ละหมาดจะได้ไหมก็เรื่องแรกเลยเนี่ยที่เาลาใช้ในเรื่องละหมาดไอ้เรื่องแรกยังไม่ผ่านเลยจะไปเรื่องสองแล้วฉันก็บอกว่าบวชนี่ยังยากนะมันหิวละหมาดในห้านาทียืนเนี่ย ยังไม่เอาเลยจะไปเอาของยากมนุษย์นี่แปลกไหมซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราชอบอะไรที่มันง่ายก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับไปดังนั้นฉันว่ายากคนที่ไม่ละหมาดห้าเวลาแล้วถึงเวลาบวดแข็งเนี่ยนะแปกคนอาจจะอาจจะไปดูสติหน่อยอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่านะนั้นเอาล้อใช้เรื่องแรกเลยละหมาดวะตะัตตะกูเลกก็ให้ยำเกรงอัลล ให้ยำเกรงพระองค์ตรงนี้ก็หมายถึงทั้งหมดใ น, นเละที่เป็นอิบะาไดาทั้งหมดถือสินอดยําเกรงไหมล่ะเปิดลำยิงกันล้อบริจาคทุกอย่างเลยแต่แต่นินออกมาเลยคือเรื่องละหมาดนินมาเลยเรื่องละหมาดอุมิรนาลีนุสลีสลมาดีรบบินอาเลมีนไอที่การแสดงว่าเราสวามิภพตลอดเนี่ยให้ดูเรื่องละหมาดเพราะละหมานี่มีทุกวันไงพักเดียร์ลอดทุกวันบวชในปีละครั้งเองฮัต ด, ดีชีวิตหนึ่งคำครั้งหนึ่งบางคนนี่ จําภาพพัดโอ้โหมันดีมากเลยภาพใส่อะไรนะใส่แย่รอมโอ้โดูดูดูเข่ง อ, ะอ่ะอ่ามันแค่ปีชีวิตหนึ่งบังคับครั้งเดียวนั่นแหละมีแค่นั้นแหละไอที่เหลือไปค่อยไป ค, ค่อยเข้งละเออมาดูนั้นไม่ไดไ้ต้องดูเรื่องละมานี่แหละจะดูว่าคนเข่งศาสนาดูเรื่องละมานเรื่องฮัดเรื่องบวชเนี่ยรองลงมานะครับอ๋อเราบอกว่ า, วาฮูว่าลดีอิเลหิตัวชะรูน พระองค์คือผู้ที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยถูกนำกลับไปชุมนุมอ่าก็คือกลับไปไปหาพระองค์อ่อายะที่เจ็ดสิบสานะครับวฮุลีคอลซมวาตวอรบลฮกและพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความจริงซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ย มีชั้นฟ้าให้เราเห็นมีแผ่นดินให้เราเห็นคำหนึ่งพี่น้องที่เราตกหลุมพรางคือคําว่าธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติจริงๆคําว่าธรรมชาติคือระบบนะครับคือระบบที่เอาล้อวางเอาไว้เช่นเวลาเอาถั่วเขียวไปวางในไปวางในไอ้กระดาษชิ้นชูเปียกๆมันก็งอกแต่ถ้าเอาถั่วเขียวใส่ไว้ในถุงไม่งอกหรอกเอามาต้มกินระบบมันไง ระบบที่เอาล้อวางไว้ถ้ า, าถั่วเขียวไปวางในที่ชื้นๆมันก็งอกแต่ใส่ไว้ในถุงมันงอกไม้หล่ะมันงอกหรอกไอ้คำว่าธรรมชาติที่มันงอกเนี่ยคืออะไรคือระบบที่เอาล้อวางเอาไว้วงโคจรต่างๆดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นเนี่ยนี่คือระบบที่เอาล้อวางซึ่งเมื่อมีคําว่าระบบต้องมีผู้กําหนดหรือผู้วางระบบจําไว้เลยธรรมชาติต้องมีคนวางระบบเปรียบเสมือนกับบ้านเราถ้าเอาหินเอาทรายมากรองเอาไว้แล้วกลายเป็นบ้าน เป็ไม่ได้มันคือระบบที่ต้องเอามาฉาบเอามาเชื่อมเอามาต่อมาก่อสร้างมันก็เป็นบ้านก็มีคนวางระบบก็คือในช่างในช่างจะได้รับผลงานจากความสวยของผลงานตัดเสื้อเนี้ยบเลยในช่างก็ได้รับคําชื่นชมอันนี้ครูแอร์พูดนะฉันชอบครูแอร์ชอบอธิบายในช่างตัดเสือ้อมองและเห็นภาพเลยและเนี่ยสิ่งที่เอาลอดสร้างเนี่ยยิ่งใหญ่มาขนาดไหนระเบียบของมันขนาดไหนนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างคือเอาลอดสุพรรณตลา ไม่มีใครอยู่แล้วกี่อัลลอฮเท่าพระองค์เดียวเท่านั้นวัยเย้ามายากูลูกุนฟฟยากูนนี่และและวันที่พระองค์ตัดว่าเจ้าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็เป็นขึ้น พระดํารัสแล้วมันก็เป็นขึ้นดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสเอาไว้การสร้างของอัลลอฮ์ไม่เหนื่อยเหมือนเราเรานี่เหนื่อยหมดนะจะสร้างบ้านก็เหนื่อยจะทํานู่นทำนี่เหนื่อยหมดแต่ของอัลอฮ์อลลอฮ์สร้างเนี่ยอัลลอฮ์บอกจงเป็นมันเป็นเลยนี่อํานาจของอัลลอฮ์เนเรมิดจงเป็นไปเลยแต่มนุษย์สร้างเหมือนกันแต่สร้างแล้วเหนื่อยและมีขีดจํากัดมันอัลลอฮ์ไม่มีนะครับอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพอ้าบอกต่อกูเก้าลูหุลฮัก พระดำรัสของ Allah นั้นคือความจริงวะละฮุลมุลกุเยาว์มยุนฟะคุฟิสูรและอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ในวันที่แตรจะถูกเป่าถูกเป่าไม่จะเป่าเป่าหะดิษเนี่ยพี่น้องครับมีมลิกะอยู่ท่านหนึ่งยังไม่ทำหน้าที่ในดุนยานี่นะมีมลิกะเพียบไปหมดไม่สามารถจะขนานับได้ แต่มีมาเลกาอยู่ท่านหนึ่งยังไม่ทาหน้าที่เลยทวันนี้ก็ยังไม่ทํานะมาเลกาท่านนั้นชื่อว่าอิสรอฟลหน้าที่ก็คือเป่าสังในะดิษบอกว่าอิสราฟิลเนี่ย น, นะกอดิ้นแต่ก็มาซูรเอาปากนี่นะจ่ออยู่กับตัวแต่สังเอาไว้วะฮานะจบาฮตะหูตันตะซิรุมาตายุมารุ ว่ายุนฟ้าคู่ฟยุนฟ้าคู่และก็ก้มใบหน้าลงเตรียมตัวจะเป่าก้มหน้ารอว่าจะมีคำสั่งเมื่อไหร่รอจดจ่ออยู่เนี่ยนะและก็จับจ้องแบบไม่นั่นเลยไม่กระพริบตาเลยในในในรายละเอียดนะ ว, ลลว่ารอควาลับอันนี้เป็นเรื่องเย็บนะจินตนาการไม่ถึงแต่ Allah เอาล้เล่าให้ฟังว่าฮัดดิสเล่าให้ฟังว่ามาริการอิสรอฟีนเนี่ยปากนี่จ่อกับการเป่าแล้ว นะแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ทำาอะไรพวกเราก็ตายกันหมดเลยนะเอ่อ้าวต่อมาอาลีมุลก้อยบิวชฮาดะพระองค์คือผู้ที่รู้เนรอบรู้ในสิ่งที่เด่นลับและสิ่งที่เปิดเผยวาฮุวลฮฮกี้มุลคอบีดและเป็นผู้ทรงปรีชาญาน คำว่าขอบีตเนี่ยแปลว่าทรงรู้แบบละเอียดที่ถ้วนใบไม้ทุกใบที่ร่วงหล่นรายละเอียดของมันเป็นยังไงซึ่งผู้สร้างในแท้จริงต้องรู้ว่าในรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผู้สร้างจะรู้ถึงในรายละเอียดในสิ่งที่ในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกับเราตัดเสื้อเราก็ต้องรู้อ่าเหมือนในช่างตัดเสื้อต้องรู้ว่าคอมันเป็นแบบไหนตัดยังไงใผ้ากี่เมตรถ้าตัดเสื้อจริงก็ถามใช้ผ้าเท่าไหร่ไม่รู้หรอก เย็บตรงไหนบักไม่รู้แสดงไม่ใช่ละไอ้ น, นี่ไม่ได้ทําเองละไปฝากคนอื่นเขาทำถ้าทำเองต้องรู้ว่าต้องใส่อะไรทําอะไรทํำยังไงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละทรงรู้ในสิ่งที่องค์ทรงสร้างแบบละเอียดถีถ่วนนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาละซึ่งบอกไปแล้วนะสุรอ้อนอามนี่เป็นสุระอะไรมักกี้ยะอัลลอฮ์จะไม่ได้พูดเรื่องบทบัญญัติให้ทําละมงละหมาดอย่างไรแต่พูดถึงให้ศรัทธาให้อีหมานต่อพระองค์ นะครับนั่นเป็นซูลรอดที่ยาวและเป็นซูลรอดที่อัลลอฮฺประทานลงมาในช่วงเริ่มแรกของอิสลามนะครับก็ประมาณนี้นะพี่น้องเพราะว่าผมเองก็ต้องเก็บเสียงไว้ด้วยนะนะสุบฮานนะก็รอคุมมมาอับดุลฮามดิคาร์ชาดุลลอฮ์อีลาฮ์อิลลาห์แต่ أستغفر الله توبي มว أستلامة عليكم ورحمة الله و ب า ك ا ت ه